สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิท ธ, ธิบิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราจะขอสรุปเรื่องของประวัติของกษัตริย์โซโลมอนพี่น้องครับกษัตริย์โซโลมอนนั้นเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลโซโลมอนภาษาฮีบรูนะครับอ่านว่าชโลมูชโมนั้นมาจากรากศัพท์ชแล้วก็ ละมอซึ่งแปลว่าพีชครับก็เป็นสัพที่พ้องกันซึ่งกลายมาเป็นชาโรมนะครับหรือในภาษาอ า, อารา บ, บิกก็เรียกว่าเป็นสลามี่น้องครับชื่อของขษัตว์ซาโลมอนนั้นในพระธํรมีอัลกุรอานก็เรียกว่าซูไลมนันสอลมอมเหมือนกันครับหรือซารมอเหมือนกันเพราะฉะนั้น เป็นรากศัพท์เดียวกันครับกาซาโซโลมอนนั้นถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นผู้ที่ทรงปัญญาที่สุดเป็นผู้ที่พระคัมภีร์ฮีบรูนั้นใช้คําว่าเจดียะพี่น้องครับกษัตริย์องค์ที่สามอิสราเอลนี้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นกษัตริย์ที่ถูกกล่าวขวัญถึงเป็นผู้ที่มีความฉเฉลียวฉลาดมากที่สุดแต่ว่า ก็เป็นที่น่าเสียใจเพราะเนื่องจากว่าหลังจากที่ครอบครองกรุงเยอเซลมแล้วแม้ว่าท่านจะเป็นผู้ที่สร้างกรุงเยอเซล็มประสูตธ์ในกรุงเยอเซลมแต่ว่าในที่สุดนั้นก็รักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือความมันความเป็นหนึ่งเดียวกันของพี่น้องชนเผา่าอิสราเอลสิเผ่าไว้ไม่ได้ในที่สุดนั้นต้องแยกเป็น10บเผ่าที่อยู่ทางเหนือ และสองเผ่าที่อยู่ทางใต้พี่น้องครับเรามาดูกันครับว่าชีวติตของโซโลมอนนั้นมีบทเรียนอะไรสำหรับเราแม้ว่าโซโลมอนนั้นจะประสูตรในกรุงเยรูซาเล็มเป็นโอรสองค์ที่สองของกษัตริย์ดาวิดซึ่งประสูตรกับพระนางบัดเชบาโอรสองค์แรกนั้นสิ้นพระชนม์ไปก่อนแล้วพี่น้องคงจำได้นะครับหลังจากที่ดาวิด ท, ทาบาปบาดเชบาท้อง หลังจากนั้นคลอดลูกออกมาลูกก็ไม่สบายเจ็บป่วยและก็ในที่สุดก็เสียชีวิตสมอนนั้นเป็นโอรสที่ประสูติต่อจากโอรสองค์แรกฉะนั้นถือว่าเป็นโอรสองค์ที่สองครับมีพี่น้องร่วมบิดามารดาอยู่3คนก็คือชิเมอาโชบับและนาทันสมอนนั้นก็มีพี่น้องต่างมารดาอยู่6องค์ด้วยกัน พี่น้องครับในพระ ธ, ธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์ที่เราได้เรียนรู้ถึงชีวิตของกษัตริย์โซโลมอนมานะครับหลายเดือนนี้แลวพบว่านังจากที่กษัตริย์ดาวิดมีอายุมากและฉลาภาพผมผ้าก็ไม่อบไม่อบอุ่นก็หนาวอยู่ตลอดเวลาเราก็รู้จักพระนางอาบีชาติซึ่งเป็นหญิงชาวชูเนมที่บรรดาข้าราชานัก เ ส, สะแสวงหาสาวงามโภมจารีทั่วแผ่นดินอิสราเอลให้อาบิชาหนั้นได้มาปณิบัติดาวิดแต่ว่าไม่มีแพ์สัมพันธ์กันครับไม่ได้ร่วมหลับนอนกัน mm hmm. กษัตริดาวิดอยู่ในสภาพที่เรียกว่าพรทดถ ด, ดถอยครับชาราภาพก็ทำให้เกิดการแย่งชิงอำนาจขึ้นในราชสำนักพี่น้องคงจำได้ว่าอาโดนิยาซึ่งเป็นเจ้าชาย เจ้าชายเป็นลูกของดาวิดประสูติแต่นางฮักกิธได้ประกาศตนขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แต่ก็พ่ายแพย้แก่กลอนอุบายของบัดเชบาพระนางบัดเชบาและนาทานผู้เผยโพรชนะแต่โน้มน้าวให้กษัตริย์ดาวิดประกาศกับประกาศให้เรียกว่าราชาพิเศษเจ้าชายโซโลมอนให้เป็นกษัตริย์องค์ใหม่ตามที่ได้เคยปริยาณต่อพระเจ้าไว้ถึงแม้ว่าโซโลมอนนั้นจะไม่ใช่กษัตริย์หรือว่าไม่ใช่โอรสองค์ใหญ่ก็ตาม ที่จะเรียกว่าเป็นมกุฎราชกุมารครับยังไงก็ตามครับเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและเราจะเห็นว่าน้ำพทัยของพระเจ้าสําเร็จครับไม่ว่าจะมนุษย์จะวางแผนยังไงแต่พระเจ้านั้นมีแผนการของพระองค์เสมอสุลต่านสืบราชสมบัติได้ครองราชตามพระบัญชาของกษัตริย์ดาวิดราชบิดาหลังจากครองราชแล้วสุลม่นก็เริ่มกําจัดฝ่ายตรงข้ามตามที่พระราชบิดาได้บอกไว้ ก็คือประหารเจ้าชายอาโดนิยาแต่ว่าการประหารเจ้าชายอาโดนิยานั้นมีเหตุมีผลชัดเจนประหารแม่ทัพโยอาบเช่นเดียวกันครับก็มีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปชัดเจนไม่ได้ใส่ความใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าไม่ได้ทำอะไรก็ตามที่ผิดครับขับไล่ปุโรหิตชื่ออาบิยาธาก็เช่นเดียวกันครับ มีเหตุมีผลชัดเจนมีที่มาที่ไปชัดเจนพี่น้องลองกลับไปอ่านในพระธรรมหนึ่งพงศษ ท, ทบทวนดูอีกสักครั้งหนึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆครับก็จะอ่านจบโซโลมอนในที่สุดก็แต่งตั้งให้เพื่อนฝูงญาติมิตรมีอำนาจในราชะสำนักทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารกองทัพของโซโลมอนก็มีความเข้มแข็งเนื่องจากสติปัญญาในการทามาค้าขายในการพัฒนาหาอาวุธหาอะไรที่มาสนับสนุนกองทัพนะครับ ตั้งนิคมเยอะแยะมากมายครับมีกองทหารมากองรถมามีการดูแลต่างๆมากมายและมีการส่งเสริมการทำการค้าตั้งนิคมการค้าตั้งค่ายทหารหลังจากครองราชได้4ปีโปรงก็ได้สร้างวิหารหลังแรกขึ้นมานะครับเรียกว่าวิหารของกษัตริย์โซโลมอนซึ่งเป็นวิหารหลังแรกครับที่เป็น วิหารใช้นมัสการพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยก่อนนั้นถือว่าไม่เป็นรองพระราชวังอียิปต์เลยนะครับและไม่เป็นรองสิ่งวาสจรรัณใดๆของโลกเลยทีเดียวการค้าขายระหว่างประเทศก็จเจริญรุ่งเรืองและดําเนินไปอย่างรุ่งเรืองในรัชสมัยของพระองค์ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นกษัต ร, ริย์อิสราเอลที่มั่งคั่งที่สุดในยุคนั้นเลยทีเดียวครับและในทุกๆยุคทุกๆสมัยของพระกัมพีด้วย สติปัญญาของโซโลมอนมาจากไหนครับสติปัญญาของโซโลมอนนั้นมาจากพระเจ้าโซโลมอนนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ทรงปัญญาที่สุดในพระกัมภีรในหนังสือพงศษัตรบัพท์ที่หนึ่งที่เราได้อ่านไปแล้วนั้นโซโลมอนได้อุทิศ ต, ตัวเองต่อพระเจ้าและขอสติปัญญาจากพระเจ้าเพราะโซโลมอนรู้ว่าสติปัญญานั้นมีคุณค่ามากที่สุดและสําคัญมากที่สุดในการดําเนินชีวิตในการปกครองในการทําตามสิ่งที่พระเจ้าสั่ง พระเจ้าตอบรับคําอธิษฐานของโซโลมอนและสัญญาโซโลมอนว่าจะประทานสติปัญญาที่ดีที่สุดที่เลิศที่สุดให้แก่โซโลมอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโซโลมอนนั้นไม่ได้ขอพรที่เห็นแก่ตัวเช่นขอความอัตตาหรือขอความพี่นาคของศัตรตูแต่โซโลมอนรู้อยู่อย่างหนึ่งครับว่าถ้ามีสติปัญญาแล้วจะได้ทุกอย่างนั่นคือบทเรียนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราทั้งหลายด้วยครับเพราะว่า การที่เราจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะดําเนินไปอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของพระเจ้ากฎหมายและกฎบัญญัติของพระองค์และเรื่องราวที่มีชื่อเสียงที่สุดด้านสติปัญญาของโซโลมอนก็คือคําพิพากษาโซโลมอนที่ผู้หญิงสองคนที่อ้างว่าเป็นแม่คนหนึ่งนอนทับลูกตายครับเหลืออีกคนหนึ่งเหลือลูกอีกคนหนึ่งนะครับ ก็มาจะแย่งลูกกันโซโลมอนพิพภากษาคดีง่ายๆโดยให้ตัดเด็กทารกออกเป็นสองส่วนแบ่งให้กับแม่คนละส่วนทันใดนั้นมีสตรีคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่จริงๆก็ยอมถอนตัวครับเธอยอมแพ้ดีกว่าที่จะให้ลูกเธอถูกฆ่าตายโซโลมอนก็ประกาศว่าคนที่เป็นแม่จริงๆก็ ค, คือสตรีคนที่ถอนตัวครับพี่น้องครับสติปัญญาเหล่านี้ครับเป็นสติปัญญาที่มาจากพระเจ้า เป็นสติปัญญาที่ทําให้อาณาจักรอิสราเอลนั้นชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีของโซโลมอนตลอดจนสง่าราศีที่งเป็นของพระเจ้านั้นเรื่องลือไปทําให้ชาวต่างประเทศมากมายอยากจะแสวงหาที่จะเข้าเฝ้าโซโลมอนเพื่อจะฟังพระสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้ในพระไทยของพระองค์ทุกคนก็นําเครื่องบรรณาการมาถวายเป็นภาชนะเป็นเงินเป็นทองและก็ไม่เพียงแต่เท่านั้นครับเป็นทองคําเป็นตันๆอาวุธ ยุทธโภปกรณ์เครื่องเทศนะครับมา้าล่อมาบรรญัาการทุกปีพี่น้องครับนั่นคือชีวิตฝ่ายสว่างหรือสิ่งที่ดีของโซโลมอนแต่เนื่องจากว่าโซโลมอนนั้นมีส่วนเสียอย่างหนึ่งครับก็คือว่าเขานั้นมีสามมอสา ม, มอนี้คือม้ามากเมียมากและมั่งคั่งมากจนเกินไปจิตใจเขาก็ฝักไฟอยู่กับสิ่งเหล่านี้ สติปัญญาที่มีอยู่นั้นผมเชื่อแน่ว่าพระเจ้าก็ได้ให้เขามีโอกาสไขขวดและคิดครับแต่ว่าเนื่องจากสติปัญญานะครับที่มีอยู่นั้นก็ถูกบทบังและจิตใจของเขานั้นหันเหเพราะเหตุเหตุหนึ่งครับก็คือมีภรรยามากผู้หญิงเหล่านี้ครับมีชายา700องค์มีนั้นสนมอีก300นะครับ ชายาเหล่านี้ล้วนเป็นราชธิดาร์ของฟาโร่บ้างอาณาจักรอัมโมนบ้างโมอับบ้างแล้วก็หลงครับโซโลมอนหลงหลงผู้หญิงจนยินยอมให้ผู้หญิงเหล่านี้นับถือเทพเจ้าของอาณาจักรตัวเองยอมให้สร้างพระวิหารของเทพเจ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับก็ทําให้กลายเป็นสาเหตุที่พระเจ้าก็จะต้องละทิ้งอิสราเอล พระเจ้าเริ่มแผนการทำลายอิสราเอลเดยกันยืมมือของอาณาจักรศัตรูอิสราเอลในที่สุดอิสราเอลก็แตกเป็นเสีย ง, ยงครับแตกเป็นเหนือแตกเป็นใต้พี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะมาต่อกันครับว่าการแตกตรงนี้มีบทเรียนอะไรบ้างสําหรับเรานะครับก็ขอพระเจ้าช่วยเราให้เราที่จะตั้งใจของเราให้ถูกต้องคือ ถ้าเราจะทูลขออะไรจากพระเจ้าสิ่งแรกครับเราจะต้องทูลขอสติปัญญาในพระธรรมญากรบอกว่าในพวกท่านหากผู้ใดขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้านั่นคือสิ่งที่โซลามอนได้ทูลขอแล้วและเขาก็ได้แต่ผมเชื่อแน่ว่าพวกเราทุกคนถ้าเราได้ทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าทุกวันในการที่จะคิดพิจารณาใครควรภาวนะของพระเจ้าที่เราจะเห็นชีวิตเราเห็นความหมายของชีวิต เราเห็นถึงการทรงเรียกชัดเจนของพระเจ้าและการทรงนำของพระเจ้าชัดเจนนั่นแหละครับคือสติปัญญาที่สูงสุดครับการที่เราได้รู้จักพระเจ้าถือว่าเป็นสติปัญญาที่สูงสุดและการที่เมื่อเรารู้จักพระเจ้าแล้วเราจะรู้จักตัวเองเราจะรู้จักคนอื่นและเราจะมีชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้าตลอดไปครับขอบพระเจ้าช่วยเรานะครับขออย่าให้โลกทาให้เราได้หลุดออกจากทางของพระเจ้าขออย่าให้ใครก็ตาม ที่จะทำให้หลุดออกจากทางของพระเจ้าแม้ว่าเราจะมีสิ่งต่างๆเหล่านั้นมากก็ตามอาเมน